กลิ่นชั้นสูงอปธรรมะตัวออยังคันโทเจาวายังตคระจันดนิโยจะสิลาวตังคันโทวาติเดเวสุอุตตโมกลิ่นกลิศ น, นาละจันเป็นกลิ่นเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลเป็นกลิ่นสูงสุดย้อมฟุ้งไปแม้ในหมู่เทสอธิบายความท่านว่าพวกเทพไม่ค่อยลงมายุ่งกับมนุษย์เพราะพวกมนุษย์กลิ่นเหม็นแรงนอกจากนี้ยังเบื่อที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลธรรม มนุษย์คนใดมีสิ่งดีมีทํางามย่อมเป็นที่รักของโถุยเทพพวกเทพย่อมตามคุ้มครองรักษาขจัดอันตรายออกน้อมนําแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลเข้าไปให้สมดังพระพุทธภาษิตว่ายาสิงประเดเิ ก, กับเปติถึงสดาพัตรานิปัสติแปลความว่ า, วาบัณฑิตอยู่ที่ใดย่อมเลี้ยงดูสมณะพราหมณผู้มีศีลประพฤติพรหมจันทร์และผู้สํารวมระวังธรรมุอุทิศให้เทวดาอันสถิตประจําอยู่ณสถานที่นั้นเทวดาเหล่านั้น เมื่อได้รับการบูชาน้ถือแล้วย่อมบูชาและน้ถือตอบและอนุเคราะห์บุคคลนั้นเหมือนมารดาพิดาตั้งใจอนุเคราะห์บุตรธิดาบุคคลผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบแต่ความเจริญการทําบุญอุทิศให้เทวดาเป็นพลีอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเทวตาพรีเทวดาย่อมรักและตั้งใจสงเคราะห์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมหากเป็นพระที่มีศีลาจารวัดดีเทวดาย่อมเคารพ บ, บูชาอย่างยิ่งเช่นพระมหากษัตริย์เป็นตัวอย่าง เรื่องการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากสะพพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารบการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากสบเทระมีเรื่องยอดดังนี้วันหนึ่งพระเถระออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งท่านเข้ามาเจ็ดวันแล้วมีความประสงค์จะสงเคราะห์คนจนท่านว่าการทําบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นอานิสง์แรงและให้ผลไม่ข้ามวัน คือให้ผลในวันนั้นท่านจึงต้องการไปโปรดคนจนคนใดคนหนึ่งในเมืองราชฤกษ์แต่พวกเทพอับศรประมาณห้าร้อยนางรู้ซส ก, ก่อนต้องการให้บุญเป็นของตนจึงเตรียมอาหารห้าร้อยสำรับไว้คอยดักถวายพระเถระขอให้พระเถระรับอาหารเพื่อสงเคราะห์พวกตนพระเถระรู้ว่านี่เป็นเหล่าเทพธิดาจึงบอกให้หลีกไปเสียท่านจะไปสงเคราะห์คนยากจนพวกเทพธิดารวยอยู่แล้วจะโลภไปถึงไหน แม้พวกเทพธิดาจะอ้อนวอนสักเพียงไรก็หาฟังไม่พวกเทพธิดารอหน้าไม่ติดจึงหีกไปยังที่พของตนไปพบกับเท้าสั ก, กะเท้าส ก, กะถามว่าไปไหนกันมาเมื่อทราบเรื่องจากเทพอักษรทั้งหมดแล้วปราถนาจะได้บุญบ้างคิดหาอุบายอยู่ได้มองเห็นอุบาอย่างหนึ่งแล้วจึงปลอมร่างเป็นชายแก่ยากจนเป็นช่างหูกแม้สุชาดาเทพกัญญ า, าก็ปลอมแปลงตนเป็นหญิงแก่ช่างหูกเหมือนกันเท้าส ก, กะทรงเนรมิต ถนนข่างหูกขึ้นสายหนึ่งพอหูกอยู่พระเถระมุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อสงเคราะห์คนจนเห็นถนนสายที่เท้าสกกะเกเดรมิดขึ้นอยู่นอกเมืองได้เห็นคนแก่สองคนทอหูกอยู่พระเถระคิดว่าสองคนนี้แก่แล้วยังต้องทํางานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีใครเข็นใจยิ่งกว่าสองคนนี้เราจะรับอาหารเพื่อทําการสงเคราะห์คนชราทั้งสองดังนี้แล้วได้บายหน้าไปยังเรือนของเขา ท้าสักกระทอบพระเนธเห็นพระเถระกำลังเดินมายัางเรือนของตนจึงกระซิบสุรกัญญาคือสุชาดาว่าให้ทำเป็นไม่เห็นท่านเสียชั่วระยะหนึ่งฉันจะลงท่านสักครู่หนึ่งเพื่อให้ท่านตายใจและถวายบิณฑบาตพระเถระมเมื่อยืนอยู่ที่ประตูเรือนสองผงัวเมียทำเป็นเสมือนไม่เห็นท่านก้มหน้าทำงานอยู่ครู่หนึ่งผ่านไปท้าสักกะจึงกล่าวเป็นว่าที่ประตูเรือน ดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งยายลองไปดูซิตาไปดูเองเถอะฉันยัง ย, งยุ่งอยู่สุชาดาต่อเท้าสกกะเสด็จออกจากเกลือนทรงไหวพระเถระแล้วเอาพระหัตทั้งสองยันพระชานุถอนพระไทยเสด็จตุกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยหนึง่งพรางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแหลตาของกระผมฝ้าเสียแล้วดังนี้แล้วทรงป้องนาดูเมื่อเห็นชัดจึงตรัสว่า โอ้พระผู้เป็นเจ้าพระมหากราศบของเรานั่นเองนานๆมายังเปลือก่อมของพวกเราครั้งหนึ่งมีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมเนาะสุชาดาทำกุลีกุจอกุกกักอยู่หน่อยหนึ่งจึงให้คำตอบออกมาว่ามีตาเท้าสากัดจึงตรัสกับพระเถระว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดว่าทานนี้เศร้าหมองหรือประณีตเลยโปรโดทำการสงเคราะห์แก่กระผมทั้งสองด้วยเถิดดังนี้แล้วทรงรับบาดของพระเถระ ฝ่ายพระเถระก็คิดจะสงเคราะห์เขาจริงๆว่าจะเป็นผักดองหรือรำกํา ม, มือหนึ่งก็ตามเราจะรับบินทบาตเพื่อสงเคราะห์คนชราทั้งสองนี้ดังนี้แล้วได้มอบบาตรให้ถาสักกะเสดเข้าไปภายในเรือนทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อใส่ให้เต็มบาตรมอบถวายแก่พระเถระบินทบาทนั้นมีแกงและกับมากมายพระเถระพิจารณาว่าชายผู้นี้มีสักน้อยแต่บินทบาทของเขาเสมือนของคนมั่งคั่ง เขาเป็นใครหนอพิจารณาไปจึงรู้ว่าเป็นเท้าสักกะจึงต่อว่าว่าทรงแย่งสมบัติของคนยากจนเป็นกรรมหนักเพราะใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายบิณฑบาตแก่อัสมาภาในวันนี้พึงได้ตําแหน่งและสมบัติพระคุณเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นคนเข็นใจเหมือนกันใครๆอื่นจะเข็นใจยิ่งกว่ากระผมไม่ได้มีเท้าสักกะว่าพระเถระจึงกล่าวว่าพระองค์เสวยสิริที่ผสมบัติในเทวโลก จะเรียกว่าเป็นคนเข็นใจอย่างไระะท้าวสกอาทูลว่าอย่างที่พระคุณเจ้าพูดมันนั่นก็ถูกเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าได้กระทำคําดีไว้ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้านี้เองมีเทพบุตรมาสามองค์มีศักดิก์เสมอกันคือจุลรถเทพบุตรมหารถเทพบุตรอเนกวันเทพบุตรทํากรรมดีแล้วเกิดที่ใกล้วิมานของข้าพเจ้ามีเดชและราศมียิ่งกว่าข้าพเจ้าเมื่อเทพบุตรทั้งสาม พาบาตบริจาริกาออกนอกวิมานข้าพเจ้าตรงเลยต้องหลบหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากศรีระของเทพปุะมุทั้งสามนั้นพ่วมทับศรีระของข้าพเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้าใครเล่าจากเข็นใจยิ่งกว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามพระเถระกล่าวตั้งแต่นี้ต่อไปท่านอย่าได้ทําอย่างนี้อีกเมื่อข้าพเจ้าลลวงท่านถวายฐานกุศลจะมีแก่ข้าพเจ้าหรือไม่มีพระองค์พระเถระตอบเมื่อเป็นดังนี้ การทำกุศลจงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเท้าสักกะตรัสตรงนี้แล้วทรงไหว้พระเถระพาสุชาดาระทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดพรางเปลงอุทานว่าโอทานเป็นทานอันเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วแก่พระมหาคสบทดังนี้สามครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารณเวลุวนารามทรงสนับเสียงของเท้าสกะแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าฟังเถิดภิกษุทั้งหลาย ฟังเสียงอุทานของท้าส ก, กะผู้ถวายบิณฑบาตแก่กระส บ, บุตรของเราแล้วภิกษุทั้งหลายทั้งเทพยจ้าและมนุษย์ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเช่นกระส ป, ปะบุตรของเราดังนี้แล้วทรงเพลงอุทานเหมือนกันว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงเฉพาะตนเองไม่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อและว่าภิกษุทั้งหลายเท้าส ก, กะจอมเทพ สเสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีลโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าอัปภมัตโตอะยังคันโธเยาวายังตะคราจันดนิเป็นอาธิมีนยะดังพนาณามาแล้วแต่ต้น